เมื่อสมัยเรียนปีหนึ่งของมหาลัยแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวแม่บังคับให้เราอยู่ในหอในซึ่งหอในของมหาลัยแห่งนี้หนึ่งห้องจะอยู่กัน4ี่คนโดยในนั้นมีเพื่อนสนิทของเราอยู่ด้วยในห้องจะมีเตียงสองชั้น2เตียงวางชิดกําแพงอยู่ตรงกันข้ามเรานอนเตียงชั้นบนส่วนเพื่อนสนิทเรานอนชั้นล่างตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่ก็จะเจอเรื่องแปลกๆตลอดจนรูมเมทสองคนอยู่ไม่ได้ต้องขอย้ายออกไป จากนั้นก็เหลือเรากับเพื่อนสนิทเราอยู่กันสองคนมีวันหนึ่งเรากับเพื่อนกลับเข้ามาไม่ทันเวลาหอปิดเลยต้องขอไปนอนกับเพื่อนที่พักอยู่หอนอกซึ่งก็แทบไม่ได้นอนกันเลยเพราะมามอยกันยันเช้าพอเช้าเรากับเพื่อนก็รีบกลับหอในด้วยความเพลียเราเลยบอกเพื่อนว่ากูขอตัวนอนก่อนนะเพื่อนก็บอกว่าเอองั้นกูไปอาบน้าก่อนละกันเราก็ขึ้นเตียงนอนของเราชั้นบนและด้วยความกลัวอยู่แล้ว ทุกวันเราจะเปิดหน้าต่างนอนให้แสงสว่างของแดดมันส่องเข้ามาในห้องได้และตอนกลางคืนก็จะเปิดไฟนอนจำได้เลยว่าเวลานั้นประมาณ10บโมงเชา้าเรากำลังเคิ้มหลับไปได้ไม่ถึง5นาทีก็รู้สึกเหมือนมีใครมาจับมือเลยลืมตาดูกลับเห็นว่าบรรยากาศภายในห้องมันมืดมากทั้งๆที่เมื่อกี้ด้วยความตกใจก็เลยถามว่ามึงทำไมห้องมันมืดแบบนี้วะเพื่อนเราก็ไม่ตอบเราพยายามจะลุกขึ้น แต่กลับหันได้แค่หัวตัวเราขยับไม่ได้เลยสักพักเพื่อนเราก็ค่อยๆหันหมุนหัวมาหาเราตอนนั้นหัวใจเต้นแรงมากเพราะคิดว่าไม่ใช่เพื่อนเราแล้วละ่ะน่าจะโดนดีแน่ๆเพราะคนอะไรจะหมุนหัวได้360รองศาพอหันหน้ามายุดอยู่ตรงหน้าเราเราก็ช็อกเพราะนั้นไม่ใช่เพื่อนเราสายตาเรากับเขาสบตากันพอดีหน้ า, หากันแค่คืบเดียวแล้วเขายืนอยู่ที่พื้นข้างเตียงหน้าเขาอยู่ระดับเดียวกับเราพอดี ผู้หญิงคนนั้นชี้ให้เราดูอะไรสักอย่างที่วางอยู่บนพื้นเราก็พยายามเพ่งตา ม, มองตามซึ่งภาพที่เห็นก็คือเหมือนเป็นผ้าดิบๆสีขาวชุ่มไปด้วยเลือดวางอยู่กลางห้องเรากลัวมากจนต้องร้องกรีดแต่ร้องยังไงก็ไม่มีเสียงออกมาเราจําหน้าของผู้หญิงคนนั้นได้แม่นจำเขาไว้ผมสั้นประมาณคางสีดาสนิทเหมือนเพื่อนเราเลยตาลอยๆหน้าซีดมากเราก็พยายามหลับตา ร้องเหลืองนั้นจนหลุดเพื่อนเราก็รีบวิ่งมาดูถามว่าเป็นอะไรเราไม่พูดอะไรรีบเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเราก็ยังไม่ได้ย้ายออกจากหอนี้ยังคงต้องกลับมาอยู่ต่อจนเจอเรื่องหลอนี่ประมาณสองถึงสามครั้งมีครั้งหนึ่งเพื่อนเราจากตึกอื่นมานอนด้วยมันบอกว่ามันไม่กลัวแล้วคืนนั้นมันก็สะด u n งตื่นขึ้นมากลางดึก พอรู้สึกว่าเหมือนหมอนมันจะเยนเ็ยนๆผิดปกติมันเลยเอามือแตะๆพอแตะดูก็รู้สึกเหมือนขาคนและพอเงยหน้าขึ้นไปดูมันบอกว่ามันกําลังนอนหนุนตักผู้หญิงผมสั้นอยู่หลังจากนั้นมันเชื่อเราสนิทเลยแล้วอีกครั้งหนึ่งคืนนั้นเราต้องนอนคนเดียวเพราะเพื่อนเราจะกลับช้าเราหลับไปได้สักพักหนึ่งประมาณเด็กๆซึ่งหอหน่าจะปิดแล้วเราก็ได้ยินเสียงเพื่อนเปิดประตูเข้ามา มึงเข้ามาได้ยังไงวะให้ยามยึดบัตรเหรอแล้วเราก็หันไปเห็นมันนั่งหวีผมแล้วก็เข้าห้องน้ำไปอาบน้าเราก็หลับต่อสักพักมือถือเราก็ดังเลยสะดุ้งตื่นปรากฏว่าเป็นเพื่อนเราโทรมาบอกว่าวันนี้กูไม่กลับห้องแล้วนะเท่านั้นแหละเรานร่นรีบวิ่งออกจากห้องไปนอนกับยามเลยหลังจากนั้นเราย้ายออกจากหอนี้ทันทีเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร จติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ